เป็นเสนียดเนี่ยนะอีติโตเนี่ยเสนียดเพราะว่านําความพินาษไม่ใช่น้อยมาให้กระบอกโหนาความเสียหายไม่มีสิ้นสุดอ่ะนะคิดดูเหอะภาษาในทวารหกเนี่ยนํามาซึ่งความเสียหายไม่มีสิน้นไม่มีสุดไม่มีจบแล้วก็เป็นอุบาทอุปทวัโตเนี่ยเพราะนํามาซึ่งความชิบหายมากมายซึ่งไม่มีใครรู้ได้และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายทุกอย่าง จะดูนะเพราะมีชีวิตนี่แหละโอยอันตรายสา ร, รพัดเนี่ยนแะเกิดขึ้นนะ ไ, ไปไหนก็เอาเหล็กหุ้มนั่งอยู่อย่างนี้ก็ต้องเอาปูนเอาอะไรมาหุ้มตัวเองกันนะลหนักกว่าพวกดักแด้กันเนละพวกดักแด้วพวกอะไรนะั้นมันเอาแค่ใยใยเนี่ยมาพันพันแล้วอยู่ได้แล้วของเราไม่เป็นอย่างา น, นั้นเะนี่ยนะพันกายก็ต่างหากพันข้างนอกก็ต่างหากเอาเหล็กมาหุ้มไปไหนก็เอาเหล็กหุ้มเนี่ยนะหาอาหารคอยหยอดคอยเติมโอยขนาดนั้นก็ อันตรายสารพัดก็ยังเกิดได้อีกนะมันเรียกว่าอุบาทก็เพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งอันตรายทุกอย่างสารพัดอันตรายทั้งอันตรายเปิดเผยและอันตรายปกปิดเนี่ยนะขนาดดูแลดีอย่างนั้นยังไม่ใช่แบบพ้นอันตรายอะไรนะที่พระองค์บอกว่าเอาหนีไปเถอะอยู่ในน้ําอยู่บนบกอยู่ในถ้าซอกเขาอยู่บนอากาศแกก็ไม่พ้นบาปมาให้ไปเถอะนี่ยนะอยู่บนเครื่องบินก็ยังตายเลยเหมือนกันเนี่ยนะ หนีไปอยู่ใต้น้ําก็ยังตายอีกท่นที่ที่ผู้ที่ทําบาปทําอกุศลไปแล้วนะนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นขันห้าที่บาปมันให้เอบาปทั้งหลายที่มันให้ผลเนี่ยอาศัยอะไรให้ผลละ่ะก็อาศัยขันห้านั่นแหละก็อาศัยภาษานั่นแหละบาปจึงให้ผลแล้วก็เป็นภัยอ่ะนะเป็นภัยเพราะเป็นบอ่อเกิดแห่งภัยทั้งปวง อะไรบ้างอะไร่ะชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยไอภัยในการราชภัยโจรภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยเนี่ยนะระหวาภัยสารพัดภัยเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นเนี่ยในภาษะเวทนาในขันหานี่แหละแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการหายใจเข้าอย่างยิ่งคือความสงบทุกข์คำว่าภัยเนี่ย เน้นไปถึงความน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะนั่งสบายสบๆเย็นเหมือนกันเรียกว่าร้อนๆมากินน้ําเย็นสงบนิ่งเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นมันไม่ให้ได้นิ่งขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะขนาดตั้งใจจะให้มันนิ่งนะมันยังมีภัยอย่างอื่นเข้ามาแทรกอีกจนได้นั่งอ่านพระไตรปิฎกพวกเหลือมันยังสะเล่นงานเลยใช่ไหมนั่นแหละตอนก็ภัยรอบด้านนี่ยนะถ้ายังมีกายเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งภัยอ่ะ ถ้าข้างนอกไม่มาทําลายนะยข้างในมันจะเล่นงานของมันเองใช่ไหมเดี๋ยวธาตุไฟมันกัดธาตุน้ำมั่งธาตุลมมันกัดธาตุดินมั่งธาตุดินมันซัดธาตุไฟมั่งไงนะเนี่ยมันก็เรียกว่าสํานวนว่ามันเป็นของชนิดหนึ่งอนะข้างนอกไม่เล่นงานเดี๋ยวมันเล่นงานข้างในกันคนเดียวแต่เราต้องระวังทั้งข้างนอกระวังทั้งข้างในก็เลยเรียกว่ามันเป็นภัยมันน่ากลัวจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะ เพราะพัวพันด้วยความชีพหายไม่ใช่น้อยนะเรื่องเสียหายเสียหายทั้งหลายเลยเนี่ยก็พัวพันในเนี้ ย, ยภาษาเหล่านี้แหละท่านจึงพัวพันในเรื่องที่ไม่ดีะนะเรื่องเลวร้ายทั้งหลายเราก็ต้องไปเห็นใช่ไหมวันนี้คุณบุญชูก็ต้องมาภาษาทะวารไหนบ้างอะทะวารหูะนะบาปใครอก็ได้เอาโซตะวิญญาณใครอะนะของคนนั่นแหละ เพขณะนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้โสตวิญญาณเราต้องได้ยินไงทวารอื่นก็เหมือนกันนะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่เนี่ยอันเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความชีพหายไม่ใช่น้อ ย, ยอืมอืมอืมปากไตแล้วก็สูงถึงขนาดนี้ก็ยังมนะีผัสสะด้นมาหนั่นะผัสสะทั้งทวารตาทวารหูหมดเลย แล้วก็ดำรงไว้ซึ่งโทษนั่นะนะ่ะโทษสารพัดโทษมันไม่ได้ลงที่อื่นใช่ไหมมันโทษนี่มันลงไปที่ต้นไม้ใบหญ้าไหมอะไรๆล ง, ล ง, ล, งลงในกายนี่แหละลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละดันดำรงไว้คือทรงไว้ซึ่งโทษสารพัดโทษเนี่ยนะถามว่าคุกเขามีดักใครอ่ะมีขังใครอย่างเงีนะ้ยไหมโรงพยาบาลเนี่ยนะเขามีมีดผ่าตัดเขาไว้ผ่าใครอ่ะนะนะมียานี่ยเขาไว้ให้ใครกินเนะี่ยยาคมๆเนี่ยนะ ท่นไอ้ที่ลงกรรมกรเนี่ยที่เขาเคียนเขาตีเป็นต้นเนี่ยเขาไปเคียนตีใครเนี่ยนะลุมฝังศพเขาไว้ฝังใครอย่างเงนะก็ฝังกายอันนี้แหละนะแล้วคุกเขาไว้เผาใครอะ่ะไม่ใช่นรกเขาไปไหม้ใครอะ่ะเอาเปรตใครหิวอย่างเงีนะเดรัจฉานใครใครชุกอะ่ะเอาก็อยู่อย่างนี้แหละอันกระวัดดำรงไว้ซึ่งโทษแล้วก็คําว่าอุปสรรคอีกในหนึ่งบอกว่าเพราะไม่ควรแก่การอดกลั้นเป็นดุลอุปสรรค มันมันมันทนได้ยากนะอดทนได้ยากมากมันก็ต้องกระสับกระสายอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็โดยความเป็นของวันไว้วันไว้ด้วยความเจ็บป่วยนะวันไว้ด้วยโรคสารพัดโรคเนี่ยนะวันไว้ด้วยความแก่แล้วก็วันไว้ด้วยความตายในขณะเดียวกันก็ยังวันไว้กับโลกธรรมทั้งหลายนะวันไว้ในราบเสื่อมราบวันไว้ในยศเสื่อมยศวันไว้ในอวันไว้ในนินทาสรรเสริญวันไว้ในสุขในทุกขเนี่ยเนี่ยผน มันจึงหวั่นไว้มากเนี่ยนะ เ, เมื่อเห็นดีก็ดีใจใช่ไหมเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เสียใจฟังสิ่งที่ดีก็ดีใจฟังสิ่งที่ไม่ดีก็เสียใจอันนแต่ละทาวารแต่ละทวารเป็นอย่างนั้นนะหวั่นไว้อยู่กับโลกกระทำทั้งหมดเลยเชื่อว่าเป็นของแตกพังเนี่ยนะปะพังคู่โตอ่ะก็คือเข้าถึงความแตกพังเป็นปกติด้วยความเพียรและด้วยสิ่งที่ไม่มีรสอ่ะนะคือในที่สุดนะจะต้องนํามาซึ่งความพังจนได้อ่ะ สิ่งใดก็ตามที่ประกอบกันขึ้นเนี่ยนะที่ถูกปัจจัยแต่งขึ้นสิ่งนั้นมีความพังไปเป็นที่สุดเนี่ยนะมีมีความพังมีความเสียหายมีความแตกทำลายเป็นที่สุดรอบก็เลยเรียกว่าเป็นของแตกพังแล้วก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยนะอัตวตโตใช่ไหมไม่ยั่งยืนเพราะว่าทำความมั่นคงทั้งปวงให้ถึงความพินาศนี่ยนะ ไอ้ที่มันเคยมั่นมันก็ไม่ไม่มั่นใช่ไหมฟันที่เคยแหมเคี้ยวอะไรก็ได้ใช่ตอนหลังมันคลอนไปหมดเลยนะอะไรที่เรียกว่ามันมั่นั่นจริงๆอะตอนหลังมันก็มันก็ไม่ค่อยมั่นแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงแล้วก็ทำเอ่อทให้เกิดถึงความพินาศเพราะไม่มีความมั่นคงอัตานาโตก็คือไม่มีที่ต้านทานเพราะว่าความต้านทานและก็ไม่ได้ความปลอดภยัย อนนั้นใครหนีไปหนีไปอยู่ที่ไหนบ้างให้พ้นแก่หนีไปอยู่ที่ไหนให้พ้นโรคอ่ะนะหนีไปอยู่ที่ไหนให้พ้นความตายไม่มีมันไม่มีที่ปลอดภัยสักอย่างเลยในขันห้าเนี่ยหาความปลอดภัยอย่างแท้จริงไม่ได้จากขันห้าแล้วก็โดยความเป็นของไม่มีที่ซ่อนเร้นเพราะเป็นของไม่ควรที่จะติดแน่นและเพราะไม่ไม่กระทํากิจซ่อนเร้นแม้แก่ผู้ที่ติดแน่นเนีนะ สงครามเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราจะหนีไปอยู่ตรงไห น, นเอาถ้าสงครามสมัยใหม่เนี่ยนะตรงไหนพอจะพึ่งมนันได้บ้างเอาไปอยู่ในดินเน่ยอยู่ในถ้าถ้าระเบิดนิดเดียวหูแตกหมดแล้วอปิดปากถ้าแล้วระเบิดใกล้ๆเนี่ยนะหูใคยพังอ่ะเอ า, เ, อาเนี่ไปกินอะไรอยู่ข้างในถ้านั่นไงใช่ไหมถามว่าในโลกเนี่ยตอนนี้ถ้ามีสงครามเนี่ยไปอยู่ที่ไหน น, นะสมมติเนีพอมานึกถึงประเทศไหนคอมเน หรือลาวหรือเวียดนามหรือพ ม, ม่า ไ, ไปอยู่ประเทศไหนเอาอเอก็หนีมาไทยกันัรงนั้นเลยแล้วเช่นเราจะหนีไปอยู่ตรงไหน ห, น, ห น, นีไปอยู่ว่าตึกวัดเพดใช่ไหมขนาดไปอยู่ตรงนั้นเรียกว่าไม่บอกที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุดที่นั่นอันตรายที่สุดใช่ไหมมันไม่มีที่ต้านทานอะไรจริงๆหรอกหาความปลอดภัยไม่ได้หรอก เอาหนี้ไปอยู่ตรงไหนมั่งไม่ป่วยเอหนี้ไปอยู่ตรงไหนมั่งไม่แก่อนี้ไปอยู่ตรงไหนมั่งที่ไม่ตายอ่อนะก็มีมีคนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าเขาเนี่ยจะต้องฝังศพในที่ที่ฝังไม่ซ้ํากับคนอื่นเขาบอกงั้นเขาก็บอกลูกเขาไว้งนะี้ยสั่งเสียลูกว่าลูกต้องไปฝังพ่อในที่ที่ไม่เคยมีใครฝังมาก่อนลูกก็สงสัยไปตรงไหนพ่อบอกตรงโน่นอ่ะยอดเขาตรงโน่นอ่ะเอะพ่อพาไปดูหน่อย ผู้เจ้าก็มาดักรอพอกไปไหนมาบ่างั้นไปดูที่ให้ลูกมันฝังว่างั้นพองก็บอกว่าทําไมจึงไปเลือกอย่างนั้นก็เพราะว่าที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครฝังผู้เจ้าบอกกับของเธอคนเดียวมันแปดหมื่นสี่พันศพมาแล้วนะไม่จํากล่าวถึงของคนอื่นใช่ไหมที่ตรงไหนมันไม่มีที่สัตว์ตายเอาตาเรานะั้นเคยมีอะไรเข้าไปตาที่ตาเราไหมมีที่หู มีหายใจเข้าแมลงเข้าไปตายมีไหมมีในปากของเราอะนะก็เยอะแยะเลยนะเข้ามาตายในนั่นน่ะแล้วทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมีไหมที่ยุงไม่เคยตายเนี่ยนะแมะลงไม่เคยตายตามส่วนต่างๆของร่างกายนะแล้วถามว่าเพชฌฆาตอยู่ตรงไห น, นก็อยู่ที่ฝ่ามือเรานะั่นแหละป่ามือฝ่าเท้าเนี่ยความเป็นเพชฌฆาตอยู่ตรงไห น, นก็อยู่ตรงปากเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นโอ้โหเพชฌฆาตก็อยู่ที่นี่แหละ นะที่ตายของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ที่นี่และไอสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความตายเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าไม่มีที่ต้านทานนี้เธอหลบไปอยู่ตรงไหนซ่อนไปอยู่ตรงไหนให้มันพ้นไม่มีเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีที่ซ่อนเร้นเพราะเป็นของไม่ควรจะติดแน่นเพราะไม่ทํากิจซ่อนเร้นแม้ของผู้ที่ติดแน่นนะนี่ไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะให้มันพ้นเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่มีที่พึ่งอาสาระโตเนี่ยนะนะเอาอะไรพึ่งในวังในขันทนะ่าเนี่ย อะสารณะนะสารณะแปลว่าที่พึ่งอะตัวนำหน้าก็ไม่ใช่ที่พึ่งไม่ทำความกระทาที่พึ่งจากภัยเนี่ยนะไปอยู่ตรงไหนอะยังมานะหนีได้ราชภัยโจรภยัยบางส่วนก็อุทกภยัยบางส่วนก็หนีพ้นอะไรวาตภาภัยแต่ว่าภัยคือชาติหนีไปอยู่พ้นไหมภัยคือชราภัยคือพยาธิมรณะเนี่ยนะยาก ยากที่จะหนีพ้นเพราะฉะนั้นหาอังคตะว่าเกาะไม่ได้เลยนะในร่างกายของเราเนี่ยเอาอะไรพอที่จะหมายมั่นเลยนะว่าตัวนี้แหละเจ๋งที่สุดดีที่สุดเยี่ยมที่สุดทิศตรงเนี้ปลอดภัยที่สุดอ่ะไม่มีเอาความคิดอนะ่ะเอาเอาใจเราไงโอ้ยไไวันหนึ่งไม่รู้คิดกี่พันเรื่องนะแล้วจะเอาความคิดไหนละคะเน่เนะาะอ๋อตัวนั้นนะเดือดร้อนที่สุดนะ เออชา้าคิดอย่างบ่ายก็คิดอย่างใช่ไหมเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไม่อยู่ <laughs> เ, เชา้าบอกแม่อยู่ได้เป็นปี <laughs> บ่ายขึ้นมาไม่เอาแล้ะ <laughs> <laughs> มาเจองอูชักไม่ถึงปีแล้วนะ <laughs> วันนี้มันก็ลดลงไปอีกนะ <laughs> เป็นอย่างนี้แหละขันห้านะ <laughs> โดยความเป็นของว่างก็คือว่างจากอัตภาพที่ยั่งยืนว่างจากความสุขตามที่กำหนดไว้นะมันว่างจากความยั่งยืนจริงๆเลยนะคือไอ้ว่างก็คือสุญญตาเนะว่างไอ้คาว่าว่างก็คือว่างจากความยั่งยืนไม่มีสิ่งที่ยั่งยืนเหมือนกันในขันห้าความยั่งยืนไม่มีหรอกแล้วตัวขันห้ามีความงามอยู่ในนั้นจริงไหมล่ะแล้วก็เป็นสุขจริงไหมไม่จริง แม้กระทั่งสุขกายเนี่ยนะอีกภาคหนึ่งมันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเพราะนั่นจึงว่างจากความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะว่างจากความยั่งยืนที่แท้จริงตามที่ใครไปกําหนดไว้มันต้องเป็นอย่างนี้ยมันไม่เป็นเอานะจึงเลยเรียกว่าเป็นของว่างแล้วก็โดยความเป็นของเปล่าเปล่าก็ริตโตเนี่ยนะริตตโตเนี่ยเป็นของว่างเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของน้อยก็ว่าของน้อยในโลกเขาก็เรียกว่าของของขอ ง, ของว่างของเปล่านะ เหมือนกับว่าน้ำ น, นิดเดียวในแก้วเนี่ยเราก็เรียกว่าไม่มีอนะเปล่าก็คือไม่มีอะ่ะเือนก็ว่าพระเขาให้สัมมา เ, เน้นไปเอาบาตรมาที่บอกบาตรมีน้ํามันครับบอกเอามาจะดื่มไม่มีครับอะไรคือไอไอบาตรมีน้ํามันแค่มาถาดท า, า, าเอาไว้เนี่ยนะแต่เอามาดื่มดื่มไม่ได้นั่นแหะเหมือนกัเหมือนกับผ้าชุบน้ําอ่ะนะะเอามาดื่มก็ดื่มไม่ได้ ไอ้จะว่ามันแห้งมันก็ไม่แห้งนะแต่ว่ามันมีน้ําอ่ะแต่ว่าน้ําในนั้นพ่อเจ้ามาดื่มก็ดื่มไม่ได้ยังไงก็เลยเรียกว่าของเปล่าอย่างเช่นไปเอาหม้อมาบอกหม้อมีข้าวไปเอาข้าวมาจะกินมันมีอยู่ไม่ขีดเม็ดยังไงก็เลยเรียกว่าจะเรียกว่าไม่มีก็ได้ใช่ไหมไอ้ของนิดๆหน่อยๆนะเขายืมตังหน่อยไม่มีไอ้คาว่าไม่มีตัวนั้นไม่ใช่ไม่มีสักบาทเดียวแต่ไม่มีให้ยืมไม่มีพอที่จะให้เขายืมได้อะนั้นเรียกเลยเรียกว่าไม่มีอย่างนั้น อันในคำว่าไม่มีเนี่ยคําว่าเปล่าก็คือไม่มีเนี่ยนะแต่ว่ายุ่งเนี่ยช้างนี่ไม่มีข้าวคาว่าไม่มีข้าวไม่ใช่ไม่มีซักเม็ดมันมีแต่ว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยนะที่จะเรียกว่ามีอ่ะมันเรียกว่าของน้อยๆของนิดๆน่อยๆในโลกนี่เขาเรียกว่าไม่มีแล้วก็เป็นของศูนย์นะศูญญตาเนี่ยก็คือว่างเว้นจากผู้อยู่อาศัยว่างจากผู้รู้ว่างจากผู้ทําว่างจากผู้อธิฐาน ก็ข <K an> ันห้าเนี่ยมันศูนย์ไงศูนย์คาว่าศูนย์เนี่ยเช่นหม้อศูนย์ไหศูนย์บ้านศูนย์อนนศูนย์ยาคารเนี่ยนะเรือนศูนย์อ่ะก็เรือนรา้างอ่ะเรือนเปล่าเรือนศูนย์เนี่ยมันมีเรือนอ่ะมีแต่ไม่มีใครอยู่นะมันก็เหมือนกับคําว่าศูนย์ก็เหมือนกับคําว่าร้างนั่นเองมันไม่มีอะไรอั้นขันห้าเนี่ยมันศูนย์ถามว่ามีใครอยู่ในขันห้าไหมมีใครอยู่ในภาษาไหมภาษะเป็นของใครเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษามีไหมมีเกิดจากอะไรเกิดจาก อายตนะอายตนะเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากนามรูปถามว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีใครสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นไม่ใช่เพราะมันเกิดจากปัจจัยอย่างไงนั้นก็เลยเรียกว่าศูนย์